วินัยนักธรรมชั้นเอกมูลที่สามโดยพระอาจารย์มุญมีจันทูุปโมสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกตุกโรคที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกเอวันนี้เราก็มาศึกษาวิชาพระวินัยต่ อ, อซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษาในการที่สิบห้าว่าด้วยการสมมุติเจหน้าที่ทำการสง่ง เราได้ศึกษามาถึงประเภทแห่งเจ้าทีิการว่าเจ้าทีิการที่ทรงอนุญาตไว้คือพุทธา น, นุญาตไว้มีห้าอย่างคือเจ้าที่การแห่งกีวอนเจ้าที่การแห่งอาหารเจ้าที่การแห่งแห่งเสนาสนะเจ้าที่การแห่งอารามและเจ้าที่การแห่งคลังส่วนเจ้าทีิการแห่งกีวรนั้นท่านแบกออกเป็นสามประเภทคือหนึ่งกีวอนปฏิคาหากะเป็นผู้รับกีวร ก็มีหน้าที่ในการที่รับในการที่จะรับจีวรว่าจีวรชนิดไหนประเภทไหนที่ถ้ายกถวายอย่างไรเราควรจะรับอย่างไรไม่ควรจะรับรับไว้เท่าไหร่ก็ควรที่จะได้กำหนดจดจำทำบัญชีเอาไวใ้ให้เรียบร้อยนี่ยในจีวรที่ถ้าเขาถวายแก่สงนั้นมีเกณฑ์แห่งการถวายอย่างไรอันนี้ก็ควรกำหนดรู้เหมือนกัน เช่นเ้ า, าถวายแก่สงเนี่ยเราก็ควรกําหนดรู้ดังนี้หนึ่งข้าพเจ้าถวายในสีมาหรือแก่สีมาสองข้าพเจ้าถวายตามกติกาของสงสามข้าพเจ้าถวายแก่สงสี่ข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้วอันนี้ก็เพื่ทราบว่านั่นคือการถวายแก่สงภิกษุผู้เป็นอชีวรในทางกะ งานนี <departed. |mt|>. Donc, ้จีวรปฏิกหะนั้นควรที่จะรับไว้นี่ถ <mm ้าจีวรที่เขาถวายเป็นบุคลิกมีเกณฑ์ที่จะเป็นกำหนดดังนี้หนึ่งจีวรที่เขาถวายเฉพาะแก่พิสูผู้ได้รับอพัฒตาหารของเขาสองจีวรที่เขาถวายแก่พิสูผู้อยู่ในเสนาสนานะของเขาสามจีวรที่เขาถวายแก่พิสูผู้ได้รับอุปถาคอย่างอื่นของเขา ีจีวรที่เขาถวายแก่ภิกษุเฉพาะรูปอันนี้เป็นการถวายเป็นบุคลิกนะอันนั้นภิกษุผู้ได้รับสมมุติให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับจีวรปฏิฆากะนั้นไม่ควรรับเพราะว่าเขาถวายเฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร หน้าที่ของจีวร อ, อีกประเภทที่สองก็คือจีวรนิทาหักกะจีวรนิทหักะเป็นผู้รับเก็บจีวรผู้เก็บจีวรก็เพิ่รู้จักหน้าที่จีวรที่ควรแจกและก็ไม่ควรแจกอย่างไรนี่คือถ้าผ้าอัดเจ ก, กับจีวรที่ขอถวายควรเก็บไว้จนกว่าจะออกพรรษาแล้วจึงแจกแก่ิุผู้อยู่จําพรรษาแล้ว จีวรที่เขาถวายไม่พอแจกควรเก็บไว้จนกว่าจะได้มาพอแจกกันจีวรที่เขาถวายมาพอแจกทั่วกันไม่ใช่อจเจะกจีวรไม่ควรเก็บจีวรที่มีจํานวนเท่าไหร่เก็บไว้หรือไม่ได้เก็บไว้เท่าไหร่ควรรู้ด้วยนั้น เ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับจีวรที่ทางอกะเป็นผู้เก็บจีวร น, นั้นก็พึงรู้เหมือนกันเอพึงรู้ว่าเขาถวายอย่างไร นะ่ย เ, เจนผ้าเจกจจีวรได้แก่ผ้าจำนำพรรษาเนี่ยที่เขาถวายก่อนเวลาออกพรรษาซึ่งตามพระวินัยว่ายังอีกสิบวันจะถึงวันปวนารณาเกิดมีทา ย, ยกจะถวายผ้าจำนำพรรษาให้รับเอาไว้เหมือนกันให้รับได้แต่รับแล้วก็ อ, อให้เก็บไว้อย่างไรอันนี้ก็ต้องควรรู้จนึนเก็บไว้จนกว่าจะออกพรรษาในี จ, น จ, จึงจะแจกแกศพิสุ้อยุจจำพรรษา ถ้าเป็นผ้าเจ ก, กับจีวรคือจีวรที่รีบร้อนอจีวรที่เขาถวายไม่พอแจกเนี่ยควรจะเก็บไว้จนกว่าจะได้มาพอแจกอย่างไรก็ต้องรู้เหมือนกันหรือจีวรที่เขาถวายพอแจกกันทั่วกันแล้วซึ่งน อ, อกจากผ้าเจกเนี่ก็ควรจะเก็บไว้อย่างไรนะมีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อย่างไรก็รู้ได้ด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวรประเภทที่สามก็คือจีวรพาชะกะ เป็นผู้แจกกี่วรอันนี้ก็เพือรู้จักเอกีวรที่ควรแจกและไม่ควรแจกเอควรรู้จักกี่วรที่ควรแจกและไม่ควรแจกดังนี้ก็คือหนึ่งกีวรที่เขาถวายไม่นิยมเป็นพิเศษพอแจกตัวกันควรแจกสองกี่วรที่เขาถวายเป็นผ้ากฐินหรือเป็นมูลแห่งเสนาสณะปัจจัยนั้นไม่ควรแจกสามกีวรมีจํานวนเท่าไหร่แจกไปหรือไม่ได้แจกไปเท่าไหร่ก็ควรรู้ ไว้ด้วยเหมือนกันนั่นก็ผู้ที่เป็นจีวรพาชกะคือทำหน้าที่แจกจีวร น, นั้น mm. ก็จะต้องรู้ด้วยว่าเป็นจีวรที่มีนิยมพิเศษหรือไม่ถ้านิยมพิเศษก็หมายถึงว่าเขาเฉพาะเจาะจงใครอย่างไรแต่นั้นก็ไม่ควรแจกแต่ถ้าไม่มีการนิยมพิเศษเช่นนั้ น, น แ, แล้วก็ควรแจกแล้วก็ผ้ากระถินนั้นก็เ อ, อพิสูจน์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเจ้าที่ แห่งจีวร น, นี้ก็แจกไม่ได้นะต้องให้ส่งแจกมีพิเศษอยู่เหมือนกันในการแจกนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่จีวราชิกะภิกษุควรกําหนดเลยควรกําหนดทำความกาหนดห้าห้าอย่างในการแจกขนื่องกําหนดเขตสองกหนดการสามกหนดวัตถุคือจีวรสี 4, พ่พึงกําหนดบุคคลคือสหธรรมนิผู้รับแจก และห้าเป็นกําหนดนิยมต่างอาเขตกําหนดเขตนั้นก็มีข้อกําหนดอยู่สองอย่างก็คือว่าหนึ่งกำหนดอาวาตทั้งมวลสองกำหนดอาวาตทั้งหลายซึ่งอยู่ในกติกาที่ได้ทํากันไว้การกําหนดการนั้นก็มีอยู่ข้อกําหนดอยู่สามอย่างคือหนึ่งกำหนดจีวรการโดยปกติสองกำหนดจีวรการที่ขยายออกไปตลอดเห็มมันตรดูเพราะได้กราบกระถิน สามกำหนดการที่พ้นจากจีวรการไปแล้วการกําหนด อ, อวัตถุนั้นก็มีข้อกําหนดเ อ, อดังนี้ก็คือหนึ่งเป็นของเหมือนกันหรือแผกกันสองที่แผกกันนั้นเป็นของชนิดใดสามดีเลยอย่างไรสี่ราคาถูกแพงอย่างไรห้าเป็นจีวรชนิดใดบ้างหกตรีจีวร อ, อย่างไหนมีกําหนดเท่าไหร่นั้นก็เ อ, อพึงรู้เหมือนกันนี้ กำหนดบุคคลและกำหนดอย่างไรมีข้อที่จะพึกรู้ได้อย่างไรท่านบอกการกำหนดบุคคลนั้นก็มีข้อที่กำหนดรู้อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเป็นภิกษุหรือเป็นสมนัมมณีแต่เป็นภิกษุเราก็ควรแจกอย่างไรเป็นสัมเณีควรแจกอย่างไรนั่นเองการกำหนดนิยมต่างนั้นก็มีข้ อ, อกำหนดยอยู่สามคือหนึ่งผ้าที่ถวายเป็นผ้ากรถินสองผ้าที่เป็นบริวารของกรถินสามผ้าไตรจีวรของภิกษุผู้มรณะแล้ว เนี่ยการกำหนดนิยมต่างนี้สำคัญมากภาคถินนั้นต้องให้สงเป็นผู้อแจกเองคือสงจะให้ใครครองอย่างเนี้ยบริวารของสงบริวารของกถินก็เหมือนกันก็เออ่ให้สงเป็นผู้อปโลกจะให้แก่ใครหรือว่าผ้าไตรจีวรของพิสูจผู้มรณะแล้วนั้นก็เอเมื่อภิสูจน์มรณะผู้ใดผู้ใดที่อุปถาคจะเป็นสมณะหรือพิสูจกด็ดีก็ให้สงอ่ ทำเป็นสังฆกรรมคือยัติสุติยกรรมให้แก่ผู้ที่อุปถากนั้นพิโซผู้ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับจีวรนั้นไปแจกอย่างนั้นไม่ได้ในในเรื่องอย่างนี้คือมีเว้นอยู่บางอย่างเนี่ยนั่นก็แต่เพื่อให้จําง่ายในเรื่องของเจ้าหน้าที่จีวรว่าเราจะกําหนดท่องจาตรงไหนให้หรือว่าตรงไหนให้แม่นยําขึ้นใจก็ เจ้าหน้าที่แห่งจีวรที่แบ่งออกเป็นสามประเภทเนี่ยจะต้องท่องจำสามประเภทนี้ให้ขึ้นใจะนะว่าสามประเภทนั้นก็คือหนึ่งจีวรปฏิคาหากะเป็นผู้รับจีวรจีวรนิทาหากะเป็นผู้เก็บจีวรจีวรพัสกะเป็นผู้แจกจีวรนะจีวรปฏิฆาปฏิคาปฏิคาหากะเป็นผู้ รับจีวอนจีวอนในทหากะเป็นผู้เก็บจีวอนจีวอนพชะธกเป็นผู้แจกจีวอท่องให้ขึ้นใจตรงนี้ให้มันแม่นเอาไว้ก็เป็นประโยชน์มากในการที่่จะใช้ในเมื่อเรามีการ เ, าเข้าสู่สนามหลวง เ, เกี่ยวกับการสอบทีนี้จะเจ้าหน้าที่ประการที่สองเกี่ยวกับเจ้าอธิการอเจ้าเจ้าหน้าที่อธิการเจ้าที่การแห่งอาหาร นี่ชื่อเจ้าติการแห่งอาหารว่ากันเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับอาหารพัดแบ่งออกเป็นสี่เนี่ยคือเจ้าติการแห่งอาหารแบ่งออกเป็นสี่หนึ่งพัดตุเทส ก, กะเป็นผู้แจกพัดหรือเป็นผู้ชี้พัดสองยาคุภาชากะเป็นผู้แจกยาคูสามผลภาชากะเป็นผู้แจกผลไม้สี่ขัดชะภาชากะ เป็นผู้แจกของเคียวภิกษุผู้เป็นพัตตุพัตตุเทศกะนั้นพึงรู้หน้าที่รู้ดังนี้คือหนึ่งพัดไม่นิยมต่างเป็นของควรแจกสองพัดที่มีนิยมต่างเป็นของไม่ควรแจกสามพัดที่มีแจกไม่ทั่วกันแจกไปแล้วถึงลำดับแค่ไหนก็ควรจำไว้ พัดที่เป็นของคนแจกและเป็นคนแจกนั้นหมายเอาแจกทั่วไปนะหมายแจกทั่วไปพัดมือนิยมต่างระบุไว้ในบาลีสี่ในอัตตกฐานหนึ่งรวมเป็นห้าด้ยกันเคลื่อนหนึ่งอาคัรตกกะพัดอาหารที่เขาถวายเฉพาะแกพิสุผู้เป็นอาคัรตกกะสองคมียพัต อาหารที่เขาถวายเฉพาะแก่ภิกษุผู้จะไปอยู่ที่อื่นสามิลานภตอาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุไข่ห้าิีลานลบปฐากภพอาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผู้ปยาบาลภิกษุไข่และห้ากุฏิภพอาหารที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อยูอ่ในกุฏิที่เขาสร้างข้อนี้กล่าวตามอัตถกถา อันนี้เป็นพัดนิยมต่างพัดมีนิยมต่างน ะ, ะไม่ควรแจกเพราะว่าเขาเฉพาะพิสุเหล่านั้นเช่นอา ก, ก, การตกกะผู้ที่จะเดินทางพิสุไข้ผู้พยาบาลพิสุไข้หรือผู้อยู่ในกุฏิอนั้นก็เฉพาะเฉพาะไม่ได้ทั่วไปก็ยังไม่ควรแจกชื่อว่ามีนิยมต่างการแจกพัดมันมีสองอย่างคือหนึ่งแจกอาหารที่เขานำมามอบถวาย สองรับมิทธบาทคือรับนิมนไปแล้วรับนิมนเอาไว้แล้วก็ส่งพระไปรับที่บ้านเรือนของเขาพระอุอเทศกะนั้นไม้เอาผู้ชี้พัดหรือผู้ระบุพัดเนี่ยพัดที่ออกชื่อในบาลีมีอยู่เจ็ดอย่างดีกันคือหนึ่งสังคพัตอาหารที่ถวายสงสองอุเทศพัตอาหารที่อุทิศสงสามมีมันตนพัต การมิมนหรืออาหารที่ได้ในที่มิมนสี่ 4. สลักกพัทอาหารถวายตามสลากห้าปักกิกพัทอาหารถวายตามปักปักละหนึ่งครั้งหกอุโบสติกพัทอาหารถวายในวันอุโบสถเจด 7. ปาติปฏิกพัทอาหารถวายในวันปฏิบต์คือแรงขํามหนึ่งนี่สังกพัเ อ, อ หรือว่าพระที่ออกชื่อในบาลีเจ็ดอย่างนี้ก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะต้องท่องให้ขึ้นใจว่ามีท่านเจ็ดอย่างนี้ตามลำดับอย่างไรและก็เมื่อท่องขึ้นใจแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าหมายความว่ายอย่างไรเช่นสังกัดพัอาหารถวายส่งนั้นหมายเอาของที่เขานำมาหรือส่งมาถวายในอารามพ่อแจกทั่วกัน พัดอย่างนี้มีขึ้นในคราวใดก็เพิงแจกให้ทั่วกันในคราวนั้นไม่ต้องแจกตามลาดับนี่เป็นเป็นสังฆพัดหมายว่าอ่าเมื่อมีใครเอามาถวายส่งมาถวายพอแจกกันแล้วก็แจกกันทั่วกันไปหมดเลยไม่ต้องตามลำดับก็ได้ส่วนอุเทสพัดคืออาหารุที่สองนั้นหมายเอาของที่เขาถวายส่งแต่ว่าไม่พอแจกกันให้ทั่วถึง เขานำมาถวายหรือส่งมาถวายก็มีอันนี้ก็ขอพระสงฆ์ไปรับแจกรับจากบ้านของเขาก็ดีพัดอย่างนี้พึ่งแจกตั้งแต่พระเถระลงมาหมดเพียงแค่ไหนก็พึ่งกาหนดไว้เมื่อมีมาอีกก็พึ่งแจกต่อไปตามระดับที่ค้างอยู่แล้วก็หมุนเวียนแจกไปอย่างนี้อีกอันนี้ก็เป็นอุเทสพัหมายถึงอุทิศสง เป็นอาหารที่ได้มาที่เขาถวายมาหรือเขาส่งมาถวายหรือให้พิสุไปรับมาก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อไม่สามารถที่จะแจกทั่วกันก็ต้องแจกไปตามลําดับหมดแค่ไหนกำหมดไว้ได้มาอีกก็แจกต่อวนเวียนกันไปอย่างนี้เป็นอุเทสภัณฑ์เนีต่างจากสังกัพธ์ที่ว่าสังกัพธ์นั้นได้เป็นสิ่งที่ได้มาพอที่จะแจกกันทุตถึงก็แจกกันทุตถึงเลย สุภุเทสพัทนั้นเป็นของที่ไม่พอแจกก็ให้แจกไปตามลําดับหมดแค่ไหนก็กาหนดไว้แล้วก็แจกในภายหลังต่อเนี่ยต่างกันตรงนี้ท่นี้อส่วนนีิมนต์ตนภัทนั้นในการนิมนต์หรือว่าอาหารที่ได้ในที่นิมนต์หมายเอาการนิมนต์ของทายกเพื่อไปฉันที่บ้านเรือนของเขาอในการนิมนต์อย่างนี้พัทตุเทศกะเป็นผู้ บอกชี้หรือว่าบอกนัดชี้หรือระบุให้พิสูจทั้งหลายไปเ <c oughs> ข้าไปสลากพัดอาหารถวายตามลําดับอสลากคือตามสลากไม่เอาอาหารหรือว่าสังกพัดอันทายกเข้ากันถวายต่างคนต่างจัดมาเป็นาของต่างกันธาร่าจะทำในฤดูการที่มีผลไม้ผล็ดของอย่างนี้ก็เพิ่นแจกตามสลาก คุณแจกตามสลากเรียกว่าสลากกระพัอที่นิยมทําปัจจุบันมันก็เช่นสลากกพัดมะม่วงสลากกพัตลิ้นจีหรือสลากกระพัอพวกอย่างอื่นที่ฤดูผลไม้เกิดมีขึ้นก็มักจะจักเป็นสลากกพัดเพื่อจะถวายแก่สงแล้วก็แจกไปตามสนากว่าลูกใดได้สลากของใครก็ถวายตามสลากที่ได้จับสลากนั้นน ส่วนปักกิรภพหรือโปสติภพปฏิปฏิภพนั้นตั้งสามชนิดนี้เป็นก้อนเรื่องมาจากสังกัพธ์หรืออุเทสภพนั่นเองโดยหมายเอาดีถีที่เขาถวายและก็แจกเหมือนกันกับพัดออย่างอื่นที่ได้กล่าวมาแล้วนเห็นปักิกภพอย่างเนี้ยถวายตามปากโปติภพถวายในวันบสถหรือปาติปฏิภพถวายในวันปฏิบอด คือวันแรมค่ำหนึ่งอของเดือนอทุกๆเดือนก็เราเป็นปาฏิปฎิกรพัฒน์เนยการแจกแจกสองอย่างดังที่กล่าวในที่กล่าวมาแล้วนะทีนี้เรามาพูดถึงอานิสงส์แห่งยาคูคือข้าวต้มข้าวต้มที่ทรงอนุญาตให้พิสูจฉันได้เรีกว่ายาคูหรือยาคูนี่เนี่ย ก็ไม่ได้หมายคว่ายาคูที่เขาขายอยทั่วไปใส่ขวดเล็กๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงยาคูนี่คือข้าวต้มข้าวต้มที่ดื่มได้ข้าวต้มที่ดื่มได้นั้นก็แตกต่างจากข้าวต้มที่เรามีอยู่ในเมืองไทยแอะข้าวต้มเมืองไทยนั้นเป็นข้าวต้มที่คงจะเรียกเฉพาะคนไทยเพราะว่าบาตทีข้าวต้มเครื่องมีเนื้อมีหมูมีไก่อะไรตัว อ, อะไรเยอะแยะมากมาย และก็เป็นข้าวต้มที่คงจะดื่มไม่ได้คงจะต้องเคี้ยกันนะแต่ว่าข้าวต้มที่ดื่มได้นั้นเป็นข้าวต้มที่ละเอียดแลเป็นข้าวต้มที่มีแต่น้ำและดื่มสามารถดื่มได้นั้นอันนี้สงของยาคู่หรือยาคูข้าวต้มนี้ท่านแสดงไว้ห้าอย่างคือ 1. แก้หิวสองระงับความกระหายสามยังลมให้เดินคล่องสี่ชำระทางปัสสาวะห้าละลายอาหารดืม่ม คือไม้อาหารเดิมซึ่งเป็นอาหารดิบต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันก็จะละลายอย่อยออกไปหมดนั่นก็อันในสองของข้าวต้มหรือยาคุนี้ก็มีอันในสองถึงห้าประการแก้หิวได้แน่นอนอ่แก้หิวนั้นแน่นอนจริงๆแล้วง้างความกระหายอ่ยังลมให้เดินกล้องหรือทําำําระทางปัจสุบันหรื อ, อะละลายอาหารดิบนี้ก็ ก็เป็นเป็นความจริงเหมือนกันแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไรแต่ว่าแก้งหิวนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนนี่อันทสงงห้าของการที่เราบริโภคหรือฉันยาคูเข้าไปที่หน้าที่ประการที่สามแห่งเจ้าทธิการก็คือหน้าที่เจ้าทธิการเสนาสนะเจ้าทธิการเสนาสนะน้นมีสองอย่างคือหนึ่งเสนาสนะคาหาประกาเป็นผู้แจกเสนาสนะ ให้แกพิสูจถือไมายเอาผู้แจกกุฏิให้ถือเป็นหลังๆ ห, หรือเป็นห้องๆเนี่ยสองเสนาสนะปัญญาประกะเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะไมายเอาผู้แจกเตียงนอนเป็นที่ๆเนี่ยการให้ถือเสนาสนะเรื่องด้วยสมัยในบาลีท่านกล่าวไว้สามอย่างคือหนึ่งปุริมิโกการให้ถือเมื่อวัน ปริมะภันษาคือวันเข้าปริมะภันศาสองปัจฉิมโกการให้ถือเมื่อวันเข้าพันศารหลังสามอันตรามุตตโกการให้ถือในระหว่างพ้นจากนั้นเอ่อแล้วการให้ถือเศนาสนะตาม อ, อการให้ถือเสนาสนะตามตามติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านั้นเออหมายถึงว่าสมเด็จพราหามหาเจ้ากรงพยาประวรศวิทยาลงกร น, นั้นท่านบอกว่ามีเพียงแค่สองเท่า น, นั้นเอง คือลูกวัต ส, สุปนาโยโกโการให้ถือในวันเข้าพรรษาสองตับพิมุตโตการให้ถือในคราวพ้นจากนั้นนี้เป็นมติของมหาสมณเจ้าการให้ถือเศนสนะในวันเข้าพรรษาเป็นการให้ถือยืนอยู่ตลอดเวลาที่จําพรรษาจะย้ายผู้อื่นในระหว่างนั้นมันไม่ควรการให้ถือในคราวพ้นจากนั้นคือให้ถือภายหลังวันประวันนาไปแล้ว เนี่ยพ้นจากนั้นหมายถึงว่าพ้นจากวันประวารินาไปแล้วอ่าภิกษุผู้ไม่ควรย้ายเสนาสนะในเวลานอกนพรรษาภิกษุเช่นไรบ้างที่ไม่ควรย้ายท่านกล่าวว่าภิกษุที่มีควรย้ายเสนาสนะในเวลาพรรษานี่ยมีอยู่สามขึ้หนึ่งภิกษุผู้ทําอุปการะแก่สงสองภิกษุที่ได้ปฏิสังขรณเสนาสนะอสามภิกษุผู้เป็นพันธาคาริก อ่าอันนี้ไม่ควรย้ายคือภิกษุผู้ทํำกานะแกสงนี่เช่นเป็นผู้ที่อทําการอบรมสั่งสอนแก่ภิกษุสงฆ์สามเณรซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆในการสอนในการอบรมถ้าจะย้ายก็จะเป็นเหตุให้เกิดความลําบากและก็ภิกษุที่ทําการปฏิสังขรเสนาสะนะก็คือภิกษุที่เป็นช่างจะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการ ทำการปฏิสังขรถ้าจะย้ายก็จะเป็นเหตุที่จะต้องย้ายเครื่องมือนั้นไปด้วยก็จะเป็นเหตุที้เกิดความลําบากและก็พิสูจผู้เป็นพันธาคาริก ค, คือผู้รักษาคลังอก็จะต้องเกี่ยวข้องกับคลังถ้าย้ายก็จะลําบากในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานนะนั้นท่านจึงบอกว่าพิสูจน์สามประเภทนี้จึงไม่ควร ย, ย้ายแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังไม่ควร ย, ย้านยะการแจกเสนาสนะนั้นเพิ่งกําหนดเสนาสนะ และฐานะของผู้ถือเสนาสนะด้วยนี่คือหนึ่งถ้ากุดีรีพอเพึงแจกให้ถือเป็นหลังๆหรือแม้ทั้งบริเวณถต่มีไม่พอก็พึงผ่อนให้ถือเป็นห้องๆถ้ากุดีโถงก็พึงผ่นให้ถืออชั่วเตียงนอนชั่วที่นอนเป็นที่ที่ไปสองฐานะของผู้ถือเสนาสนนั้นเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นผู้มีอุปการะแก่สงหรือไม่ เป็นผู้เล่าเรียนหรือประกอบกิจในทางใดเป็นผู้อ า, อาศัยหรือว่าเป็นที่อาศัยของใครเป็นต้นและก็ให้สมกับฐานะของเธอเหล่านั้นคือจะต้องดูเหมือนกันว่าการที่จะแจกส น, นาสนะนั้นจะต้องอแจกอย่างไรให้มันเหมาะสมกับฐานะของอภิกษุเหล่านั้ น, นก็หมายถึงว่าผู้มีคุณธรรมมีพรรษา นั้นควรจะให้อยู่กุติอย่างไรและก็ผู้น้อยควรจะให้อยู่อย่างไรนั่นเองเนี่ยตนี้เราก็มาศึกษาต่อใน เ, อเจ้าอธิการต่อไปคือเจ้าอธิการที่สี่หมายถึงเจ้าอธิการแห่งอารามเจ้าอธิการแห่งอารามนั้นท่านแบ่งออกเป็นสามคือหนึ่งอารามิเปสกะเป็นผู้ใช้คนทําการวัด สองเซสัมเนินเปส ก, กะเป็นผู้ใช้สัมเนนสามนวมิกะเป็นผู้ดูแลนวกรรมคือการปลูกสร้างนี่ก็เจ้าติการแห่งอารามก็มีหน้าที่อยู่สามที่จะต้องปฏิบัติเป็นผู้ใช้คนทำการวัดเป็นผู้ใช้สัมเนนหรือเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างนะเป็นหน้าที่ของเอจ้าติการแห่งอาราม หน้าที่ของเจ้าทิการแห่งคลังต่อไปประการที่ห้าก็คือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคลังท่านก็แบ่งออกเป็นสองเหมือนกันคือหนึ่งพันธาคาริกะเป็นผู้รักษาคลังที่เก็บพัสดุของรงฆ์สอง อ, อ, อปมัตตกะวิสัชกะเป็นผู้แจกของเล็กน้อยให้แก่ฟิกษุทั้งหลาย อาภิสุรูปเดียวจะสมมุติให้ทำหน้าทีอ่อย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ทำได้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าทีเ่เกี่ยวกับคลังนั้นก็จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าคลังที่เก็บวัสดุของสงนั้นอะไรที่เป็นครุพันคือเป็นของหนักควรเก็บไว้อย่างไรที่เป็นเลหุพันคือเป็นของเบานั้นควรจะเก็บไว้อย่างไรก็จะต้องรู้จักหน้าที่ เช่นได้จะต้องแจ ก, กให้แก่พิสุทั้งหลายอย่างไรเจกของเล็กน้อยให้แก่พิสุสา ม, มเณรอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของของขลังนะเรียกว่าพันธาคาริกอัปัตต์วิสัชกะแต่ในเสนาสนขันธะนั้นมีสมมติอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งสมมุติให้เป็นผู้รับผ้าสาติกาซึ่งเรียกว่าสาตยะคาหาปะกะสองสมมุติให้เป็นผู้รับบาตเรียกว่าปัต ตหรหาปะกะอันนี้ท่านกล่าวไว้ในเสนาสนะขันตกะเพิ่มเข้ามาอีกนั่นเจ้าวิธีการต่างๆซึ่งในการที่่25นี้ก็ให้เพื่อนสนาตมิกที่กําลังศึกษานั้นได้ท่องจําในข้อสําคัญสําคัญเอาไว้ซึ่งข้อสําคัญนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยทีเดียวเพราะว่าหลักเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้อง ่จดจำหลักเอาไว้ถ้าเราขาดหลักแล้วก็ถ้าเกิดไปเข้าสู่สนามสอบก็ถามหลักเราก็จะตอบไปได้เมื่อตอบไม่ได้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการเป็นอุปสรรคในการเรียนการศึกษาของเราในการสอบของเรานั่นก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีเท่าไหร่อันนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ห้าอย่างนะก็ให้ท่องให้ขึ้นใจเรียกว่าเจ้าติการเนี่ยแล้วก็ เจ้าตัวการแห่งชีวรมีหน้าที่สามอย่างก็ต้องให้ขึ้นใจเจา้าตัวการแห่งอาหารมีหน้าที่สี่อย่างคือแบ่งออกสี่อย่างก็ต้องให้ขึ้นใจเช่นพัดตุเพสกะเป็นผู้แจกพัดหรือชีพพัดยาคูปัจจกะเป็นผู้แจกยาคูผลปัจกะเป็นผู้แจกผลไม้ขจัปปัจจกะเป็นผู้แจกของเคี้ยวอันนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะว่าเจ้าหน้าที่แห่งอาหารนั้นแบ่งออกเป็นสี่อย่าง แต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องให้ขึ้นใจแล้วก็พัดนิยมต่างพัดไมนิยมต่างนั้นก็ต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันอพัดที่ระบุไว้อพัดนิยมต่างนั้นระบุไว้ในบาลีมีเท่าไหร่ในระฐามีเท่าไหร่นต้องท่องให้ขึ้นใจเลยที่เป็นพัดนิยมต่างนะที่กล่าวไว้ในบาลีสี่ในกระฐามีรวมเป็นห้านะี เชอนอาคันตุกะพัดขี่แกคมิยพะพัดกีฬานาพัดปุบกีฬานุปัฏฐาัดกติกุติพัดแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องความหมายไปด้วยอย่างนี้นในก็พัดที่ออกชื่อในบาลีเจ็ดชื่อก็ท่องใ้ขึ้นใจเหมือนกันเอเมื่อเราต้องขึ้นใจหลักสําคัญสําคัญเอาไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในการที่เราจะเข้าสู่สนามสอบต่อไปลนะครับวันนี้เวลาของเราก็ ได้หมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธตรมิกทั้งหลายที่กำลังสนใจตั้งใจสดับรับฟังเกี่ยวกับการศึกษาพระวินัยอยู่ก็ขอใหอ้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับเพื่อนสาธรมิกทุกโรค ที่กำลังศึกษาวิชาพระวินัยนักธรรมชั้นเอกอยูออ่วันนี้เราก็มาศึกษาในการที่ยี่สิบหกการที่ยี่สิบหกนั้นว่าด้วยกระถิน่นกระถินเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งมีชื่อออกจากไม้สะดึงที่ลาดหรือกลางออกเพื่อขึงยีวรเย็บมีพุทธานุญาตไว้เพื่อจะให้ขยายเขตกีวรการให้ยาออกไป โดยปกติเขตทำจีวรเพียงท้ายฤดูฝนคือตั้งแต่แรกค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองกรถินนี้ทรงอนุญาตให้กรานในเดือนท้ายฤดูฝนอครั้นได้กรานกรถินแล้วเขตนั้นก็จะขยายออกคือยาวออกไปตลอดฤดูหนาวคือกลางเดือนสี่นี้องค์กําหนดในการที่ พิสูจนั้นควรจัดตานกรถินนั้นอย่างไรองค์กำหนดสิทธิของพิสูุผู้ควรจตานกระถินนั้นท่านบอกว่ามีสามอย่างหนึ่งเป็นผู้อยู่จำํำภรษาไตรมาศไม่ขาดนะทุ่นไรมาศไม่ขาดสองอยู่ในอาวาสเดียวกันสี่พิสูุมีจํานวนห้ารูปขึ้นไปเนี่ยองค์กําหนดสิทธิของพิสูุ์ผู้ควรจะได้กลานกรถิน ดองนเพื่อนหัตถมิกพึงเท่าไ้ขึ้นใจเลยทสีเดียวหน้าว่ามีสามอย่างคือเป็นผู้อยู่จำพรรษาท้วนไตรมาสไม่ขาดอยู่ในอาวาสเดียวกันและก็มีจํานวนห้ารูปขึ้นไปใช้คําย่อท่องว่าท้วนไตรมาสอาวาสเดียวกันห้ารูปขึ้นไปท้วนไตรมาสอาวาสเดียวกันห้ารูปขึ้นไปท้วนไตรมาสอาวาสเดียวกันห้ารูปขึ้นไปนี้เราก็จะขึ้นใจแล้ว อันนี้ผ้าที่ควรเป็นวัตถุแห่งกระถินแห่งผ้ากระถินนั้นเป็นผ้าชนิดไรบ้างทัางกล่าวว่าผ้าที่ควรเป็นวัตถุแห่งผ้ากระถินนั้นมีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งเป็นผ้าใหม่สองผ้าเทียมใหม่สามผ้าเก่าสี่ผ้าบางสกุลห้าผ้าตกตามร้านตลาดผ้าทั้งห้าอย่างนี้พิกษุ ผู้หนึ่งผู้ใ ด, ดถวายก็ได้หรือว่าจะเป็นคราหัสก็ได้หรือพูดง่ายๆว่าผ้าเหล่านี้อันผู้ใดผู้หนึ่ ง, งเป็นคราหัสก็ตามเป็นสหธรรมิกด้วยกันก็ตามถวายแล้วแก่สงฆ์ก็เป็นของใช้ได้เหมือนกันอผ้าใหม่อันนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าก็คือผ้ายังไม่ได้ใช้เลยนั้นก็เป็นทําเป็นผ้ากระถินได้และผ้าเทียมใหม่อันนี้ก็หมายถึงว่าผ้า ที่เคยใช้แต่ว่าใช้พึ่งใช้ครั้งเดียวหรือสองครั้งเนี่ยยังเทียมใหม่อยู่ก็ใช้เป็นผ้ากรถินได้ผ้าเก่าก็หมายถึงผ้าที่เคยใช้มาหลายครั้งแล้วก็ทําเป็นผ้ากรถินได้ผ้าบังสุบางสกุลแล้วผ้าบางสกุลนั้นก็หมายถึงผ้าที่ภาวาแล้วก็คือผ้าที่ตกเลือกเมื่ออยู่ตามขยะมูลฝอยอภิสุเก็บเลือกเอามาซักเอามา ตัดเอามายเย็บเอามาย้อมทำเป็นจีวรเรียกว่าผ้าบางสกุลนะแต่ที่รู้จักกันในปัจจุบันก็คือผ้าที่เขาไปทอดไว้ตามซ า, ากศพต่างๆาซึ่งในขณะที่จะเผาศพอะไร ก, ก็จะทอดผ้าบางสกุลเป็นผ้าสะบวงผ้าจีวรอะไรเนี่ยก็ไปฉกกันก็เรียกว่าผ้าบางสกุลเหมือนกันก็ใช้ได้ เนืนเป็นทาเป็นผ้ากระถินก็ใช้ได้ส่วนผ้าตกตามร้านตลาดต่างๆนั้นอันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปก็ทําเป็นผ้ากระถินได้นี่ดังนั้นกถินนี้จะเป็นคราฮัตเป็นจะผ้าทอดก็ได้หรือภิกษุทํากระถินไปทอดที่อื่นได้แต่จะทอดไหยแก่ตัวเองนั้นไม่ได้่อทอดที่อื่นนั้นได้นีน่ส่วนผ้าที่ ไม่อนุญาตให้ทําเป็นผ้ากระถิ่นท่านก็แสดงไว้เหมือนกัน mm hmm. ก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านบอกว่าผ้าที่ไม่ควรทําเป็นผ้ากรถิ่นนั้นมีดังนี้คือหนึ่งผ้าที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์เช่นยืมเขามาสองผ้าที่ได้มาโดยอาการอันไม่ชอบคือผ้าที่ได้มาด้วยอากาศทํานิมิตหรือพูดเลียบเคียงนะได้มาสาม ผ้าที่เป็นนิสกีเช่นผ้าเป็นนิสกีอันปิกสุสละแล้วแก่สงอ่าสีผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนเช่นผ้าที่ได้มาโดยบริสุทธิ์แต่ว่าเก็บไว้ค้างคืนอ่าทั้งสีอย่างนี้ท่านบอกว่าทําเป็นผ้ากระถินไม่ได้หมายความว่าผ้าที่ได้ที่ได้มาโดยไม่เป็นศีลเช่นยืมคนอื่นเข้ามาทําผ้ากระถินอย่างเงี้ยไม่ได้ไหนเดี๋ยวว่าเอ๊ยวันอยากจะทําเป็นกระถิน อยากจะทําบุญเออทอดกรถินก็เลยไปยืมผ้าคนอื่นเข้ามาอย่างนี้ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้นะผ้าที่ยืมเข้ามาเพราะไม่เป็นสิทธิไม่บริสุทธิ์เพราะ่ากถินนั้เป็นผ้าที่บริสุทธิ์จริงๆและก็สองที่ว่าผ้าที่ได้มาโดยอาการอันไม่ชอบออคือผ้าที่ได้มาด้วยการทำในมิตหรือปูเรียบเคียงเนี่ยก็หมายถึงว่าไปติดต่อขอกรถินมาทอดที่วัดของตนอย่างนี้อย่างนี้ก็ผ้าที่ได้มานั้นไม่ชอบเหมือนกัน หรืออยากจะให้เขามาทอดกรถิน่นก็ไปพูดเรียบเคียงบอกว่าที่วัดเนี่ยกําลังสร้างโบสถ์ด้วยกําลังสร้างสลาไม่มีใครทอดกระถิ่นอย่างนี้อ่าเพื่อจะให้เขารู้แล้วเขาจะทํากรถิ่นมาทอดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าได้มาด้วยอาการอันมิชอบเหมือนกันก็ไม่บริสุทธิ์เนี่ยผ้ากรถิ่นนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนั้นภิกษุที่เ อ, อไม่ได้ศึกษาดีก็มักจะไปติดต่อขอกรถิ่นมาทอดที่วัดของตน เพื่อต้องการที่จะได้ปัดใจให้มากขึ้นในการที่จะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นการอาไม่ถูกต้องตามพระวินยัยนั่นก็กรถิ่นต้องให้บริสุทธิ์จริงๆนะจะไปพูดเลือกเคียงจะไปขอจะไปอะไรมาเพื่อตอนเองนั้นไม่ได้แต่ถ้าจะไปทอดที่วัดอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ตนอยู่จํารรษาเนี่ยได้เช่นเราจะเป็นจาภาพเราจะไปทอดที่โน่นที่นี่อชักชวนญาติโยมไปทําบุญทอดกรถินอย่างนั้นได้ เนะีเพราะว่าไม่ได้น้อมลาวเข้ามาสูตตนน่ตัวอันั้นท่านบอกว่าได้เนะและก็ผ้าที่เป็นนิสกีหมายว่าผ้าที่เอ่อเป็นอบัติคือเป็นนิสกีอัดด้วยด้วยการอัตเดกจวรเกินสิบวันก็ดีหรือเอ่อผ้าที่ปตายีวรล่วมคืนหนึ่งก็ดีเอ่อเป็นนิสกีอย่างเงี้ยเมื่อเป็นนิสกีเสียสละในสองแล้วได้คืนมาจะเอาผ้าเช่นนั้นมาทําเป็นเอ่อผ้ากระถินนั้นไม่ได้อีกเหมือนกัน นะไม่ได้แต่ท่านห้ามไม่ให้เอามาทําเป็นผ้ากรินแล้วก็ผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนคําว่าผ้าเก็บไว้ค้างคืนในที่นี้หมายถึงว่ากระถินที่เขาทอดนั้นแหละเก็บไว้ยังไม่ทําเอาค้างคืนขึ้นวันใหม่มาทําอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ท่านห้ามผ้า ท, ที่ท่านห้ามให้ทําเป็นผ้ากระินนี่นะอ่าจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะข้อนี้ก็ท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันะนะ ผ้าที่ไม่ตไ ม, ไม่ควรทําเป็นผ้ากรถินนั้นท่านกล่าวไว้สี่อย่างได้เกินคือผ้าที่ได้มาด้วยอผ้าที่ไม่เป็นศิษย์คือยืมเขามาผ้าที่ได้มาด้วยการอันมิชอบอคือผ้าที่ได้มาด้วยการทํานิมิตรพูดเลียบเคียงผ้าที่เป็นสกีผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนท่องให้ขึ้นใจเลยและก็ผ้าที่ควรเป็นวัตถุแห่งกระินห้าอย่างนั้นก็ท่องให้ขึ้นใจนะ ที่ควรทําเป็นผ้ากรินจนะนัผ้าไหมเทียมผ้าเทียมไหมผ้าเก่าผ้าบางสกุลผ้าตกตามร้านตลาดเราก็ต้องเทงีท่ยวมาผ้าไหมเทียมไหมไหมเทียมไหมผ้าเก่าบางสกุลตกตามร้านตลาดาไหมเทียมไหมผ้าเก่าบางสกุลตกตามร้านตลาดมาไหมเทียมไหมผ้าเก่าบางสกุลตกตามร้านตลาดพ่อไปขึ้นใจเลยนี้เราก็มาศึกษาต่อใน เ, อเรื่องเกี่ยวกับองค์แห่งภิกษุผู้คว ร, ครกลานกรถิน พิสูจน์ที่ควรการกรถินนั้นนะจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไรบ้างท้าต้งกล่าวว่าองค์แห่งการแห่งพิสูจนผู้ควรการกรถินนั้นในตามบาลีนั้นกล่าวไว้แปดคือหนึ่งรู้จักอุประกอบสองรู้จักการถอนไตรจีวรสามรู้จักอธิษฐานไตรจีวรสี่รู้จักการกลานห้ารู้จักมาติกาหกรู้จักบาลีภุทธกังวลเจดรู้จักการโดกรถิน่น แปดรู้จักาอาอนิสงค์ขันอ์องค์แห่งภิกษุผู้ควรการขินทนั้งแปดอย่างนี้ก็นักศึกษาเพื่อนธรรมิกพึงท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันเนี่ยท่องให้ขึ้นใจเลยทีเดียวทั้งแปดอย่างไม่ต้องบอกว่าหนึ่งสองสามะไรแต่ว่าให้ท่องเป็นลาดับว่าปุพเพกรถอนไตรอธิธานการการมาติกาปาลิโพตปาริโพตการดอกอานิสง ปุปภะกรถอนไตราการอธิฐานการการมาติกาปาริโพธอการดอกอาริสงปุปภะกรถอนไตรอธิษฐานการการมาติกาปาริโพธการดาะอาริสงว่าให้ขึ้นใจเลยก็จะรู้แล้วว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นท่านพูดถึงคุณสมบัติของภิกษุผู้ควร ก, ากรามกถินอย่างไร ส่วนในอัตถกานั้นในอัตถกามหาวัฏตั้งกล่าวว่าเ<ม>อผ้ากรถินนั้นอสงอควรให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่าแต่ว่าถ้าหลายรูปแล้วก็ควรให้แก่ภิกษุผู้มีปัญญา ม, มากธรรมากด้วยกันอควรให้แก่ภิกษุผู้เป็นมหาบุรุษส่วนมติของอสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านว่าควรให้แก่ภิกษุผู้ทรงคุณสมบัติผ่อนลงมา สุดแล้วแต่ภิกษุใดสามารถจะทําให้สําเร็จควรให้แก่ภิกษุนั้นอธรรมเนียมที่เราเอปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็ส่งให้แก่จเจ้าอาวาสหรือแก่ภิกษุผู้เท่าที่ควรจะยกย่องนับว่าได้ทําตามอัตมาฐานไหนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จเจ้าอาวาสเป็นผู้รับในปัจจุบัน <c oughs> แต่ตามบาลีแล้วก็ ไม่ได้จําเพาะจ่อจงว่าจะต้องเป็นเจ้าอาวาดแต่ว่าผู้ใดที่ประกอบได้องแปดนั้นผู้นั้นควรที่จะกลานกรินในอัตถกาถาท่านก็อพูดถึงเอภิกษุผู้มีจีวรเก่าท่านหลายรูปนะก็ให้ภิกษุผู้มีปัญสามากเนะีต้องต้องดูอีกถ้าภิกษุเป็นสามารกก็มีอยู่ก็ควรให้มหาบุรุษปันสามากแล้วก็เป็นผู้ที่มี ความประพฤติดีปฏิบัติชอบและก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญานะอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามสมควรแต่มหารมเจ้ า, าท่านผ่อนลงมาถึงว่าภิกษุใดที่มีความสามารถในอันที่จะทำให้สำเร็จกตินสต ร, ริกิจนั้นถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้และก็ให้แก่ภิกษุรูปนั้นเนี่ยอันนี้ก็ก็นับว่าเป็นไปนตามอัตถกถาอยู่เหมือนกัน นีการให้ผ้ากรถินนั้นทำอย่างไรการให้ผ้ากรถินนั้นกําหนดให้ด้วยยติทูติยกรรมาวาจาแต่เป็นธรรมเนียม อ, อยู่ว่าต้องปรึกษาและก็ตกลงกันก่อนว่าจะให้แก่พิสุรูปใดแล้วก็อปิลกให้แก่ผ้าบริวารผ้ากรถินก่อนแล้วก็จึงสวดกรรมาวาจาที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนั้นคือก่อนที่เรารู้อยู่แล้วว่า กะทินจะมาทอดในวันไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องตกลงกันไว้ก่อนแล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ครองกะินเมื่อตกลงให้ผู้ใดรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองกะินแล้วก็กําหนดในการที่จะ <c oughs> มีภิกษุอภโลกให้บริวารกะินก่อนซึงเป็นตำเนียมที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้และก็จึงได อมีการสวดให้ภาคกฐินในภายหลัง น, น, นี่องแห่งปูการกฐินทั้งแปดอย่างที่กล่าวในบัลีข้อต้นที่ว่าอุปรกรณ์นั้นคืออะไรอุ ป, ปรกรณ์นั้นก็คือธุระอันจะพึงทําก่อนเบื้องต้นแห่งการการกฐินอภิกษุผู้ได้รับภาคกฐินอันสง์เให้แล้วก็พึงทําอุปรกรณ์ให้แล้วเสร็จในวันนั้นอุปรกรณ์นั้นท่านกล่าวไว้เจ็ดประการด้วยกัน คือหนึ่งซักผ้าหมายความว่าผ้าใหม่ก็ควรซักก่อนเหมือนกันสองกะผ้าคือกะว่าผ้านั้นจะพอทำเป็นจีวรชนิดไหนสามตัดผ้าคือตัดเป็นจีวรมีขันผ้ า, าตามที่ได้กล่าวไว้ในวินัยมุกเล่มสองหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทสี่เนาหรือดนผ้าที่ตัดแล้วก็คือว่า เอาผ้าทับกันแล้วก็เอาเข็มเจ่าจ่าวพอเอการผ้าเคลื่อนจากกันห้าเย็บเป็นจีวรได้แก่เย็บล้มตะเข็บที่เอจ้าเอาไว้นั้นเรียกว่าสอยก็ได้หกย้อมจีวรที่เย็บแล้วคือย้อมให้ได้สีที่ฟิกสุใช้ได้ซึ่งเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ย้อมจีวร ในนักทําชั้นโถมมาแล้วเอสีที่ห้ามเอครามเหลืองแดงเย็นแสดผูดําก็หมายถึงว่าสีครามสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีแสดสีชมพูสีดํานั้นห้ามเอามายัดเอาห้ามเอามายัดย้อมเป็นจีย้อมจีวรนนั้นจีวรนต้องยอมด้วยน้าฝ่าแต่ที่รับรองสีที่ยอมก็คือว่าสีเหลืองแกมแดงหรือสีกลัดสีว่าสีย้อมด้วแกนขนมอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเจ็ดทำกับปะคือพินทุก ได้แก่ทำเครื่องหมายด้วยสีสามอย่างคือครามตมและก็ของดคาคล้ำอย่างใดอย่างหนึ่งในเอกเทศแห่งกีวรมีสันฐานเป็นวงกลมประมาณเท่ากับหลังตัวเลือดหรือว่าวัยตาโนยูมก็ได้จะต้องทาเป็นอุปกรณ์ทาอุปกรณ์เจ็ดอย่างนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนอุปกรณ์เจ็ดอย่างนั้นก็ท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันนะ อก็อ<S 々>ุปกรณ์เจ็ดอย่างก็คือซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเนาผ้าดนเนาผ้าเย็บผ้าย้อมจี้อรที่เย็บแล้วทากับปะนะก็อ่าท่องคำนี้เยอว่าซักกะผ้าเนาเย็บย้อมนะทํากับปะคือพินทุซักกะผ้าเนาเย็บย้อมทํากับปะคือพินทุซักกะผ้าตัดอ่าซักกะอ้าซักกะตัดเนาเย็บย้อมทํากับปะคือพินทุเราต้องท่องให้ขึ้นใจนะ สักกะตัดแนวเย็บย้อมนทํากรปะคือพินทุเจ็ดอย่างนี้เป็นอุ ป, ปกรณ์ก่อนทำก่อนก่อนที่เราจะมีการกลางกรถินเมื่อทํากลับ่าอุ ป, ปกรณ์เจ็ดอย่างแล้วต่อไปก็คือการถอนไตรจีวรการถอนไตรจีวรซึ่งมีอยู่เดิมนั้นเราก็ต้องถอนออกเสียก่อนการถอนไตรจีวรเดิม่จะถอนพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้นะ พนใดพื้นหนึ่งก็ได้คําถอนก็ไม่ยากถ้าเป็นผ้าสังกะีก็ว่าอิมังสังคาติงปัจจุดธารมิถ้าเป็นผ้าอุตราสงหรือจีวรก็ว่าอิมังอุตราสังขังปัจจุดธารมิถ้าเป็นผ้าอันตราวาสกหรือผ้าสบงก็ว่าอิมังอันตราวาสกังปัจจุดธารามิครั้งเดียวก็ได้หรือสามครั้งก็ได้ในขณะที่ นะถอนก็เอามือลูบนะปัดออกไปอันนี้ตามที่ปฏิบัตินะเมื่อถอนไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คืออธิษฐานไตรจีวรหมายถึงอธิษฐานไตรจีวรใหม่เ <c oughs> นี่ยเมื่อเราถอนไตรจีวรเดิมพื้นใดพื้นหนึ่งแล้วจะอธิษฐานจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งแทนจีวรที่ถอนไปก็เอพึง ว่าคําอธิษฐานอาพิธีปฏิบัติในข้อนี้ก็หมายความว่าเ อ, อเราทําการพินทุเสก่อนเพราะปัจจุบันนี้อ่ผ้านั้นไม่ต้องซักไม่ต้องกะไม่ต้องตัดไม่ต้องเนา่าไม่ต้องเย็บไม่ต้องย้อมเขาทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่ทําพินทุเมื่อพินทุด้วยสีสามอย่างแล้วก็เอาผ้าเก่านั้นอ่าเอาผ้าเก่า ว, วางไว้บนผ้าใหม่ แล้วกล่าวคำถอนผ้าเก่าใส่ลงไปในผ้าใหม่เมื่อถอนเสร็จเรียบร้อยก็อธิษฐานผ้าใหม่เป็นไตรจีวรขึ้นมานะเอธิษฐานผ้าใหม่เป็นไตรจีวรขึ้นมาเช่นผ้าผ้าสังฆติก็ว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานิแปลว่าข้าพเจ้าตั้งเอาไว้ซึ่งผ้าผืนนี้เป็นสังฆติถ้าผ้าอุตราสงค์หรือผ้าจีวรก็ว่าอิมังอุตราสังขังปฏิอธิษฐานิ แปลว่าข้าพเจ้าตั้งเอาไว้ซึ่งผ้าผืนนี้เป็นผ้าอุตราสง์ถ้าผ้าอันตรวาสกหรือผ้าสบงก็ว่าอิมังอันตรวาสกังอธิฐามิแปลว่าข้าพเจ้าตั้งเอาไว้ซึ่งผ้าผื้นนี้เป็นผ้าอันตรวาสกเออันนี้ก็ว่าครั้งเดียวหรือสามครั้งก็ได้แต่เราเคยปฏิบัติกันมาก็คือว่าใช้สามครั้งครั้งสองครั้งสามครั้งไ ม, ไม่ผิดไม่ผิดวินัย แต่ใช้ได้ทั้งนั้นถ้ายิ่งหลายครั้งมันก็ทำให้ใจมั่นคงขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ที่นิยมปัจจุบันก็ใช้ว่าสามครั้งในตอีนี้เมื่ออธิษฐานเป็นผ้าจีวรหรือไตรจีวรขึ้นแล้วต่อไปก็ทำพิธีกรานนะทำพิธีกรานกระถินแล้พิธีกานกระถินในคำภีบริวารกล่าวถึงพิธีกรานไว้ดังนี้ครั้นทำอุปกรณ์หมายถึงการ ทาการพินทุเสร็จเรียบร้อยแล้วภาา น, นั้นจะทำจีวรชนิดใดก็เพิงปัด จ, จุดทอนจีวรชนิดนั้นน ะ, อะของเดิมแล้วอธิษฐานจีวรใหม่โดยชื่อนั้นแล้วทำพิธีกราโดยชื่อนั้นน ะ, ะก็ได้กล่าวให้ทราบแปแล้วว่าเมื่อพินทุเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการจะ ทำเป็นจีวรชนิดไหนหรือจะ <CA> เป็นสบู่อย่างเงี้ยเราก็ถอนผ้ <im ri ana> าสบู่เก่าออกไปหรือจะเอาถ้าหรือจะอาต้องการทั้งสามก็ถอนทั้งสามไตรเอทั้งทั้งสามอย่างนะทั้งสามอย่างเป็นผ้าไตรจีวรคือผ้าอัลังกติผ้าอุตตราวส่งผ้าอันตะนาสศกถอนทั้งสาก็ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อถอนแล้วต้องการเป็นจีวรชนิดใดก็อธิษฐานจีวรชนิดนั้นขึ้นมาเช่นถ้าเป็นผ้าอุตตราสงค์คือผ้าจีวรก็ อธิษฐานเป็นจีวรขึ้นมาหรือต้องการสังกติก็อธิษฐานสังกติขึ้นมาหรือต้องการผ้าอันตรวาสศกคือผ้าสมบุกก็อธิษฐานนั้นขึ้นมาเมื่ออธิษฐานชื่อนั้นแล้วเราก็จะกรานกระถินด้วยผ้าชื่อนั้น เ, เป็นผ้ากระถินขึ้นมาเช่นว่าสังกติเนี่ยเราจะกรานนั้นจะเปล่งวาจาว่าอย่างไรสังกติ ที่เราได้อธิษฐานเป็นผ้าชีวร น, นั้นแล้วก็ต่อไปเราจะกรานก็เปล่งวาจาออกมาว่าอิมายะสังขติยากะทินังอัถรามิแปลว่าข้าพเจ้ากรานกระถินด้วยผ้าสังาติผืนนี้นะหรือผ้าอุตตราสงคือผ้าชีวรก็เปล่งวาจาว่าอิมินาอุตราสังเขนะกะทินังอัถรามิแปลว่าข้าพเจ้ากรานกระถินด้วยผ้าอุตราสง์ผืนนี้ หรืออันตรวาสก็แปลงวาจา ว, ว่าอิมินาอันตรวาสเกนตนะกะที่นั่งอัตตรามิแปลว่าข้าพเจ้ากรานกระถินด้วยอันตรวาสกพืน น, นี้นี่ก็คือคำกรานในขณะที่กรานนั้นทำอย่างไรนี่แล้วิกรารทำอย่างไรอันนี้ท่านก็บอกว่าให้เอามือลูกไปด้วย กานในทํากลางสงแล้วก็เอามือรูปในขณะที่จะกรานผ้าอะไรก็เอามือรูปผ้านั้นแล้วก็บริ ก, กรรมไปด้วยเนี่ยเมื่อได้ทำพิธีกรานเสร็จเรียบร้อยในลำดับนั้นพิสุผู้กรานกะถินนั้นก็พึงเข้าไปหาสงทำผ้าอุตราสงเฉวงบา่าประนมมือกล่าวว่าอัตตังพันเตสังคสสะกติกนังตามิโกกตินัตถาโรอนโมนถาะ แปลว่าท่านเจ้าข้ากติ่นของสงกลานแล้วการการาบกระถิ่นเป็นธรรมขอท่านตั้งหลายอนุโมทนาเถิดอันนี้หมายก็ว่าเมื่อได้กล่าวคํากลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นีเข้ามาทางสงคือหันหน้าเข้าหาสงแล้วก็กล่าวให้สงอนุโมทนานะตอนกล่าวให้สงอนุโมทนานี่แหละนะลงท้ายว่าทักถะเนี่ยท่าถ้ และบางคนก็มักจะไปทำเป็นธรรมิธรรมะซึ่งอันนี้ไม่ไม่เป็นมิเป็นมะแล้วเพราะว่าผู้กรานเป็นผู้ว่านะผู้กรานเป็นผู้ว่าเนี่ยเมื่อกล่าวคำให้สงได้อนุโมธนาแล้วในลำดับนั้นต่อไปพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็พึงทาผ้าอุตราสงเฉวียงบาพันลงมือก็กล่าวว่าอัตตังพันเตสังคสะกตินังธรมิโกกติณัตตารอนุโมธามะถ้าหลายคน าก็ต้องหลายคนแน่นอนเพราะว่าเป็นฐานสงก็แปลว่าแม่เธอกรถินของสงฆ์นะัทท่านเจ้าค้าก็ดะถิ่นของสงฆ์การานแล้วก า, การกานกรถินเป็นธรรมเราตั้งหลานได้อันโมทนาก็เป็นอันว่าสงฆ์การทําการกรถินนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีก็อคําคกล่าวนี้ก็เปลี่ยนไปตามภาษามากภาษาน้อยเช่นอัตตังพันเตเนี่ยถ้าเป็นผู้มีภาษาน้อยก็ ต้องใช้พันเตแต่พันสามารถก็ใช้อัตตางเอโซก็เปลี่ยนกันไปตามนี้เท่านั้นเองอันนี้ก็คื อ, อการกล่าวอนุโมทนาของสงเมื่อสงกล่าวอนุโมทนาก็เป็นนั้นว่ากรถิญ น, นั้นเป็นการทําพิธีการเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มีปัญหาข้อต่อมาอีกว่าสงหรือคณะเป็นผู้กลางกรถินในคมภีบริบาลเอ่บริวารลกล่าวว่าสงหาในการกระถิญไม่ คณะก็หาได้การกะถินไม่บุคคลเป็นผู้การกะถินแต่เพราะสงได้อานอนโมทนาเพราะคณะได้อันโมทนาเพราะบุคคลได้กลานได้ชื่อว่าสงได้การกถินคณะได้การกถินและบุคคลได้การกถินด้วยเนี่ยคือเพราะที่สงหรือคณะหรือบุคคลนี่เนี่ยสงได้อนอนโมทนาคณะได้อนอนโมทนาและก็บุคคลเป็นผู้กานเนี่ย ก็ชื่อว่าสงเป็นผู้กลานกระถินนั้นด้วยนี่ทีนี้ต่อมาอีกว่าของที่เป็นบริวารกระถิ่นน่าจะเป็นของใครเพราะอันนี้ปัญหาะข้อ น, นี้มักจะมีอยู่เสม อ, เ, อเมื่อผู้รับกระถินไม่เข้าใจแล้วก็มักจะเกิดปัญหาถกเถียงกันทะเาลาะกันบ้างในเรื่องของการเอาบริขารซึ่งเป็นบริขารของกระถินเนี่ย บานทีก็ทะเลาะถึงเจ้ากรรมาการวัดด้วยเกี่ยวข้องกับไปด้วยหมดนั้นของที่เป็นบริวารกรถินนั้นจะเป็นของใครในมตินี้ก็มติของพระอัตกถ า, าจารย์ท่านว่าถ้าเป็นผ้าและเป็นจีวร อ, อันเหลือของพิสุผู้การกรถินเป็นของคขำขลาด้วยพึงอัปโลกให้แก่เธอจนพอหรือเหลือจากนั้นให้แจกแก่พิสุอื่นที่เหลือโดยลําดับแห่งผ้าจํานำภาษา ที่เรียกว่าวัาวาสิกาหรือโดยปรรษาตั้งแต่เถระลงมาอภาเป็นครุพันห้ามไม่ให้แจกกันแต่ถ้าทายกเขาถวายเฉพาะภิกษุผู้กรานกระถินเช่นกล่าวว่าเยนะอมหากาังกตินังกหิตังตัดเ ส, เดเสวะเถมะแปลว่าภิกษุใดได้รับกระถินของข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุนั้น ถ้าหาเขากล่าวเช่นนี้แล้วทรงไม่เป็นใหญ่ถ้าเขาไม่จํากัดไว้ถาวายแล้วก็แล้วไปอย่างนี้ทรงก็เป็นใหญ่ในการที่จะแจกฉันก็เป็นนั้นว่าบริวารของกรถิ่นนั้นนะถ้าเป็นของที่เป็นพวกจีวรหรือพวกบาทอผู้ที่กรานกรถินนั้นเอยังไม่มีเพียงไ ม, ไม่พอเช่นว่า กระถิ่นจะเป็นผ้าพื้นใดเพื่อหนึ่งก็เป็นกระถิ่นได้ใช่ไหมเป็นผ้าสบงอย่างนี้ยังขาดจีวรยังขาดเออสังฆาติอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเหลือจะประโคมให้ท่านก็ได้ให้ภิกษุที่ครองกระถิ่นใ ห, ให้มีให้ครบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าท่านเหลือจากนั้นก็ให้แจกตามลําดับของภิกษุที่อยู่จาําบรรษานั้นเนี่ยเหมือนกับผ้าจะนํบาบรรษ์ตามลาดับรองลงมา ถ้าเป็นของหนักคือซึ่งเป็นของครุพันธ์เนี่ยห้ามไม่ให้แจกกันอจจะเป็นพวกมีดพวกพระพวกอะไรต่างๆซึ่งเป็นของที่เกี่ยวกับการทำงานเนี่ยก็พวกหม้อต่างๆก็เหมือนกันเป็นครุพันธ์ไม่ควรที่จะแจกในเรื่องเหล่านี้มักจะมีปัญหาในทางจตุบทพอถวายกรถิน่นเครื่องบริวารต่างๆจะพวกมีดพวกหม้อพวกขวานต่างๆเนี่ย ผู้รับแล้วมักจะเอาไปแล้วก็ไปแจกญาติโยมบางบางทีก็มีนะไปแจกญาติโยมที่เป็นญาติพี่น้องของตนเองอันนี้ไม่ได้ตั้มหลักเป็นของสงฆ์นะเอาไปแจกไม่ได้นะเอาไปให้ใครไม่ได้เป็นของสงฆ์นะพวกเหล่านี้พวกที่เป็นของเล็กน้อยซึ่งเป็นระหุพันธ์จะเป็นจีวรเสบงสังขติอะไรเนี่ยอันนี้เราแจกกันได้เป็นของ้องเบานะแจกพร ะ, ะที่อยู่ด้วยกันได้นะ แล้วก็ถ้าเป็นถ้ายกเขาเขาถวายเฉพาะพิสูตใดที่รับกรถิ่นเขาเขากล่าวคําดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นก็สงไม่เป็นใหญ่ในการแจกแต่แต่เขาไม่ได้กล่าวถวายแล้วสงจะไปแจกยังไงเป็นเรื่องของสงอันนั้นก็สงก็เป็นใหญ่เนะนี่คือของที่เป็นบริวารนะครับก็เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกรถินมาก็ยังจะต้องศึกษาต่อไปอีกอ้อมสมควร แต่ว่าเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบงังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกๆท่านทุกๆรูปถทิน